Book 2ู8จ็ดสิ k แปดคัมคุณาศักดิ์หนึ่งไปฟุก o ลกนอมวูผู้หญิงชราหนึ่งคนเออ ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนรถใหม่หนึ่งคันรถความเร็วสูงหนึ่งคัน รถนั่งสบายหนึ่งคันชุดเรดสีฟ้าหนึ่งชุดชุดเรสสีแดงหนึ่งชุดชุดเรดสีเขียวหนึ่งชุด กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ a swart tas กระเป๋าถือสีน้าตาลหนึ่งใบ a bruin tas กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ a wit tas คนใจดีหลายคน r e g e m e n s e คนสุภาพหลายคนผู้คนน่าสนใจหลายคนเด็กน่ารักเด็กดื้อเด็กดี b r o v e kinders!